ข้อความในพุทธวงต่อเนี่ยนะว่าเมื่อศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปฐุมมุตระหายดับศูนย์อันตรทานหายไปจากโลกวันเวลาก็ผ่านไปล่วงไปเปล่าโดยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเจ็ดหมื่นกลับเจ็ดหมื่นกลับนี้ไม่มีพุทธศาสนาเลย จนถึงเมื่อสามหมื่นกับนับแต่กลับนี้ถอยหลังไปก็มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกพระนามว่าสุมเมศมันวงของพระพุทธเจ้าพระสุมเมศพุทธเจ้าที่11ก็บังเกิดขึ้นจึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยีพระองค์เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยจะมีมากช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่สามหมื่นกับเป็นต้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มมีมากขึ้นเนี่ยนะนะมีบ้างไม่มีบ้างนะ กล่าวว่าต่อจากสมัยของพระปฐุมุตระพุทธเจ้าพระชินะพุทธเจ้าพระนาวสุเมทะเป็นผู้นําโลกผู้อันเขาเข้าเฝ้าได้ยากมีพระเดชยิ่งสูงสุดแห่งโลกทั้งปวงพระสุเมธผู้นําโลกนะนำโลกออกจากทุกข์นะนำสัตว์โลกให้ประสบแต่ความสุขพระองค์นั้นเข้าเฝ้าได้ยากเหมือนอะไร ก็บอกเหมือนราชสีเข้าใกล้ได้ยากฉันใดพระพุทธเจ้าก็เข้าเฝ้าได้ยากฉันนั้นหรือว่าพระองค์นั้นนะก็บอกว่าพญาอสรพิษเนี่ยนะเข้าใกล้ได้ยากฉันใดพระพุทธเจ้าก็ใข่เข้าใกล้ได้ยากฉันนั้นเพรันธะหาว่าไม่มีเหตุอันจําเป็นหรือเหตุอันสมควรเนี่ยเข้าเฝ้าไม่ได้หรือเข้าเฝ้าได้ยากอย่าว่าแต่พระองค์มีพระชนเลยตอนนี้แม้แต่พระธาตุก็ยัง เข้าเฝ้าได้ยากเนีนะเข้าไปผิดเวลาผิดวันนี่ก็เข้าเฝ้าไม่ได้เพราะงั้นแม้แต่จะไปไหว้พระธาตุยังเข้าไปเฝ้ายากนะเพราะว่าพระองค์นี้ปกติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นยากที่จะเกิดขึ้นมาในโลกถึงเกิดมาในโลกแล้วก็ยากที่จะได้เข้าไปใกล้ถึงเข้าไปใกล้ก็ยากที่จะได้อยู่นานๆนีะก็สะสมบุญต่อไปเถอะให้อยู่ใกล้พระองค์ด้วยใจเถอะเนี่ยนให้อยู่ใกล้พระองค์ ที่บอกว่าถึงร่างกายจะอยู่ไกลขนาดไหนแต่ใจที่ประกอบด้วยศรัทธาใจที่ประกอบไปด้วยปีติก็โคจรท่องเที่ยวเวียนไปในพระพุทธคุณอยู่เสมอถึงอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขพระพุทธเจ้าสุเมศนั้นพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงามมีพระวรกายใหญ่กายของพระองค์นี่ตรงแต่ก็สดใสพระองสแสวงหาประโยชน์แก่สรรพสัตว์นยนะ คำว่าสแสวงหาประโยชน์ก็คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่ง น, นะสแสวงหาประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ที่พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงพระองค์เปลื้องคนเป็นอันมากให้พ้นจากเครื่องผูกคือสังโยชนะพระองค์ช่วยให้เขาพ้นจากเครื่องผูกทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพปพระองค์เปลื้องเขาให้พ้นจากเครื่องผูกคือสกายทิถิวิจิกิจชาสังโยชน์ ศีลพัตตะปรามาสังโยชดด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะพระองค์ช่วยแก้ให้เขาพ้นจากอบายทุคติวินิบาศนรกด้วยโสดาปฏิมักพระองค์ช่วยเปลื้องช่วยแก้ให้เขานะหลุดพ้นจากกามาพบด้วยอนาคาเมมักพระองค์ช่วยเปลื้องช่วยคลายให้เขาหลุดพ้นจากวัตฏะโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมัตตครั้งเมื่อพระองค์บรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงประกาศพระธรรมจกักรณกรุงสุทัศนะ ในการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยนะมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญจริงๆอยู่สามครั้งด้วยกันอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกดต่อมาอีกพระชนะพุทธเจ้าทรงทรมานยักษ์ฝึกยักษ์ชั่วกุมภะ ก, มกันอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์9ก้าหมื่นโกดต่อมาอีกพระผู้มีพระยสมีบริวารหาประมาณไม่ได้ ทรงประกาศสัตว์จะสี่อภิสมัยครั้งที่สามได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกธพระสุมเมธพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันผู้เป็นขีนาศไรายมนทินมีจิตสงบมีจิตคงที่สามครั้งนะสาวกสันนิบาตประกาศโอวาทปาติโมกสัพาปาปะสะกรณังกุสละสูปะสัมปทานนะสามครั้งด้วยกันครั้งแรกว่า ครั้งพระชินะพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงสุทัศนะพระภิกษุขีนาศพร้อยโกรธประชมกันต่อมาอีกเมื่อภิกษุทั้งหลายกรานกถินที่ภูเขาเทวกรุภิกษุ90โกรธประชมกันอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งต่อมาพระทศพลเสด็จจาริกไปภิกษุแปโกรธก็ประชมกันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรา ตอนที่นั้นอะพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นมานบหนุ่มชื่อว่าอุตตระมานบแปลว่าคนหนุ่มเนี่ยนะพระองค์สั่งสมทรัพย์ในเรือนประมาณ80โกดแปลว่าเศรษฐีหนุ่มบอกว่าเราถวายทรัพย์เสียทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือเลยทําบุญหมดแด่พระผู้นําโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ถึงพระองค์เป็นสารณะชอบใจในการบวชเป็นอย่างยิ่งครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงทําการอนุโมทนา อนุโมทนาในบุญกุศลที่อุตตระมานพธรรมเนี่ยนะก็อนุโมทนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อล่วงผ่านไปอีกสามหมื่นกับอีกสามหมืนกับนะจะเป็นพระพุทธเจ้าโอ้งวดเข้ามาใกล้ทุกทีใกล้ทุกทีนะใกล้ยุคสมัยพวกเราเต็มทีแล้ะไม่รู้ว่าดีใจหรือเศร้าใจกันยังนึกกันนะทั้งหัวเราะและว้วก็ร้องไห้ วเราะบอกใกล้จะมีพระพุทใกล้จะถึงาศาสนาของเราแล้วร้องให้พระว า, าศาสนาจะหมดแล้วเหมือนกันน่ยนะอะไรนะโอ้กว่าจะจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ใหญ่ๆได้อย่างนี้เนี่ยนะนอนก็จะจัดได้พอดีมาท้ายๆรายการนี่ยนะแทบจะมาเกงๆมาช่วยเก็บกวาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยหมดเวลาพอดีพระตถ า, าคตออกอภิเนิษกรมออกบวชจากกรุงกบิลพัทอันหน่ารื่นรม โปร่งตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยาพระตถาคตประทับนั่งณนะโคนต้นอชาปาระนิโครรับข้าวมาทุกปลายาดในที่นั้นฉันเสร็จก็เข้าไปยังฝั่งไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยข้าวมาทุปลายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสด็จไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพเพลก จากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักษินโพธิมันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณโครโพพฤกเชวต้นอสัต t h พระท่านผู้นี้หรือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จักมีพระพุทธบิาดาพระนามว่าพระนาง ม, มายาพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าสุทโทธทนะ พระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะมีนามตามโคตว่าโคตมะจกมีอักระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นผู้ท้าอุปถาชื่อว่าอานันทะจากบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้จะมีอักระสาวิกาชื่อว่าเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น พอผลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h พระองค์จักมีอัคราอุปถากชื่อว่าจิตตาและหัตถาละวกะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มีพระยศจักมีพระชนมายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ที่ฟังอยู่ณสถานที่แห่งนั้นพอฟังพระดํารัสพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าสุเมธแล้ว พระองค์ผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วก็พากันปราบปลืมใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางกูลท่านผู้นี้เป็นเชื้อสายของผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกพากันส่งเสียงโหวร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนรมัสการกล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดคําสั่งสอนจากศาสน า, าของพระโลกกนาตสุเมศพระองค์นี้ไซในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพระองค์นี้เปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําเฉพาะข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพลพระชินเจ้า พระสุเมธพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมฉันนั้นเหมือนกันอยู่เฉพาะพระธาตุพระสมณะโคดมเหมือนกันเนี่ยนะเอ้าเขาอยู่เหมือนกันนะแต่อยู่เฉพาะพระธาตุกับพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็ถ้าถ้าใครไปอะไรศีรษะเขาจะไปไหว้พระธาตุเสร็จแล้วก็มาไหว้ตู้พระไตรปิฎกเหมือนกันมาไหว้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้เอาไปตั้งแต่จากบ้านเราเนี่ยแหละ ไหว้บ้านเราก็ได้เนาะจะไปถึงไปไหว้ที่นั่นนะนะพิมพ์สลับเดียวกันนะนะแท่นพิมมันเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนี่แหละกราบเอกราบที่นี่ก็ได้เหมือนกันพระโพธิสัตว์อุตรามนบเนี่ยนะพอได้ฟังพระดำรัสพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ asaki, าสุเมศแล้วจิตของพระองค์ก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดขึ้นไป เพื่อบำเพ็ญพระบารมีให้บารมีทั้งสิให้เต็มบริบูรณ์พระโพธิสัตว์ก็เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและณวังฆ่าสาธุศาสทุกอย่างทำศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามแสดงว่าเป็นคนเก่งมากนะส่งพระไตรปิฎกอีกชาตินี้นชาติพระพุทธเจ้าโกนธัญญาก็ทรงพระไตรปิฎกชาติของพระพุทธเจ้าเออและอีกองค์หนึ่งก็สรงพระไตรปิฎกนี้เป็นการทรงพระไตรปิฎกครั้งที่ส พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในศาสนาคือคําสอนที่ประกอบไปด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอยู่นั้นไม่ประมาทในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ยืนเดินนั่งก็ถึงฝั่งแห่งอภิญญาจุติจากภพนั้นก็ไปสู่พรหมโลกนะนะพระโพธิสัตว์ก็สร้างบุญมากนะทานบารมีก็บาําเพ็ญอย่างเต็มเปี่ยมนนก็ให้สุดที่ที่จะให้ได้อยู่แล้วถวายชีวิตเป็นพู้ทบูชาโดยการปฏิบัติตามคําสอน พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยากให้เราสละชีวิตบูชาด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ให้ไปฆ่าตัวตายบูชา น, นะไม่ใช่ว่าโอ้จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วหาอะไรมากรีดคอซะจะได้ตายเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเกว่าฆ่าตัวตายบูชาแต่นี้ถ้าบูชาจริงๆก็บูชาด้วยการศึก ษ, ษาเล่าเรียนด้วยการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระองค์เนี่ยนะการเรียนคําสอนของพระองค์การทรงจําคําสอนของพระองค์ก็เป็นการบูชาแล้ว การที่เอาคำสอนของพระองค์มาโยนิโสมามตสิการมาคร่ควรวนพิษพิจารณาให้ใจเป็นไปกับคำสอนก็เป็นการบูชาแล้วเนี่ยนะมัก็พยายามบูชาด้วยการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติตามคำสอนอันนั้นเป็นการบูชาที่แท้จริงแล้วก็บูชาด้วยการทำอะไรปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนาในส่วนของสมถะท่านได้ฌาน ในส่วนของวิปัสสนาก็ได้ระดับโ่นนะโดยมากก็สังขารปเปกขายานเนี่ยนะก็ระดับสูงพันโดยหลักการของคาสอนเนี่ยท่านเข้าใจอย่างปรุกโปร่งเนี่ยนะมีฌานด้วยทรงพระตรายวิดดกด้วยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีใจค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลพระโพธิสัตว์นั้นท่านคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดท่านพยายามคิดตามแนวที่พระพุทธเจ้าพาคิดทุกประการเพราะว่า คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องคิดคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าก่อนแต่ว่ายังคิดไม่ครบถ้วนแต่ก็ดำเนินอยู่ในร่องรอยเหล่านั้นจนกว่าจะเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ประวัติเกี่ยวกับพระสุเมพุทธเจ้าว่าพระสุเมศผทธเจ้าพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระนครเป็นที่เกิดชื่อว่าเมืองสุทัศนะพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทัตตพระชนนีพุทธมารดาพระนางสุทัตตา พระสุเมธโพธิสัตว์ครองค า, ารวาตวิสัยอยู่ 9,000 ปีมีปราศาสชั้นยอดสหลังคือสุจันทะกันจนะและเสรีวัตทะมีพระสนมนารีนางฟ้อนรำที่ประดับกายงามประมาณ 48,000 นางมีอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุมนาพระโอรสพระนามว่ า, า, วาปุณพะพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นนิมิตสเส ด, ด็จออกอภินี ส, สกลมด้วยยานช้างตั้งความเพียร8เดือนเต็ม แดเดือนเต็มนะในการรวบรวมโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะคําว่าแปดเดือนของท่านไม่ได้แปดเดือนแบบแหมไปนั่งรอนั่งรอเดินรอเรอที่ยวรอไม่ใช่คนคิดใคร่ควรวญเว้นไว้แต่หลับนิดเดียวเท่านั้นที่เหลือคิดอริยสัจหมดเลยใคร่ควรวญพิจรารณาอริยสัจการใคร่ควรวญอริยสัจเอ๊ะมีอะไรให้ใคร่ควรวญหนักหนาบอกว่าใคร่ควรวญเพื่อให้โพธิปัจจะธรรมจเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนะั้นน่ะเป็นการใคร่ควรวญที่ คือไข่ควรวนหาสาระจากสังขารทั้งหลายเพื่อเจริญโพธิปัจขยธรรมแล้วก็ภาคเพียรเพิ่มพูนพอกพูนโพธิปัจขยธรรมให้เจริญจนกว่าจะได้ตรัสรู้นั่นแหละอันในการภาคเพียรรวบรวมโพธิปัจขยธรรมแต่ละองค์แต่ละองค์งหรือรวบรวมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ให้ครบแองค์นั้นใช้เวลามากแต่ก็มากน้อยนั้นที่สําคัญก็อยู่ที่บารมีด้วยอยู่ที่อิอนทรีย์ว่าแก่กล้า ม, มาขนาดไหน อย่างถามว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยรู้ไหมว่าอินทรีย์ของพระองค์ยังไม่แก่กล้าบอกพระองค์รู้พอพระองค์เข้ามาบวชเนี่ยนะพระองค์เจริญอยู่ไม่นานเท่าไหร่พระองค์รู้แล้วว่าอินทรีย์ของพระองค์นี้ยังไม่แก่กล้าเอาแล้วทําไมพระองค์ไม่กลับไปศึกไปก่อน่แล้วก็บุกกลับมาบวชใหม่บอกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาแปลว่าพวกนี้มีแต่ไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวเนี่ยนะไอ้ถอยหลังไม่มีเป็นรถชนิดพิเศษที่ไม่ได้ เตรียมแบบหันหลังกลับเนี่ยนะไม่มีมีแต่ว่าไปหน้าอย่างเดียวท่านก็ก็รอภาคเพียรพยายามในการเจริญในการประพฤติปฏิบัติจนได้ดเรียกว่ารอได้นะหปีก็รอได้จนได้ตรัสรู้วิรอมาตั้งเสียสงไขแสนกลับและแค่6ปีเองนะจะไปนานอะไรทําเป็นมากังวลเลือเกิน6ปีเนี่ยนะเนะชื่อไหมคนป่วยเป็นอมภพอมพานอนเฝ้าเตียง5้าหปีก็เห็นรอนอนอยู่กันได้เนี่ยนะรออะไรไม่ได้รอโพธยาณสักหน่อยใช่ไหมรออะไร อา้าวครูกาเองนะมันเมันก็มัน ก, นก็เขาก็รอรอกันได้ทั้งนั้นแหละนะอย่างคนที่อยู่ในเรือนจำมันก็รอกันได้รอวันออกเขาวางกันบางคนก็รอวันประหารก็ยังรอกันได้แต่นี่รอจะเป็นพระพุทธเจ้าทําไมจะรอไม่ได้รอด้วยความปราบเพื่มใจด้วยความศกสิสมรณาสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมและเลอะเลือนเอนี่ยนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะแม้แต่ชีวิตปางตายเนี่ยนะท่านก็ไม่หลงลืมสติสัมปชัญญะ ย้อนกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระมหาวีระเจ้าสุเมธะผู้นำโลกผู้สงบหลังจากที่ตรัสรู้แล้วอันเท้ามหาพรมาราธนาพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรณสุทัศนราชอุทยานอันสูงสุดพระสุเมธพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัครสาวกชื่อว่าพระสารณะและพระสัพพกาหมาพระพุทธอุปถาคชื่อว่าพระสาครพระสาครนนะนะ มีอัครสาวิกาชื่อว่าพระรามาและพระสุรามาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นเนมพะหรือต้นเสดานะตรัสรู้ที่ต้นเสดาวนะพระอัคราอุปถาชื่อว่าอุรุเวลาและพระยศวาพระอัครอุปถายิกาชื่อว่ายศวาและสริมาพระองค์สูง88ศอกสองสว่างทุกทิศเหมือนดวงจันทร์สองสว่างเห็นหมู่ดาวเช่นั้น เปรียบเหมือนว่าธรรมดารัตนีรั ต, ตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมสว่างไปโยดหนึ่งฉันใดรั ต, ตนะคือพระรศมีของพระองค์ก็แผ่ไปหนึ่งโยดโดยรอบฉันนั้นในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ9ก้าหมื่นปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ย่อมย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารพระศาสนาของพระองค์นั้นมากไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้มีวิชาสามอภีญญาหก ผู้ถึงกำลังฤทธิ์ผู้คงที่พระอรหันต์เมเหล่านั้นผู้มีบริวารยศหาประมาณมีได้เป็นผู้หลุดพน้นปราศจากอุปธิพระอรหันต์เหล่านั้นแสดงแสงสว่างคือยานแล้วต่างก็นิพพานกันหมดหมดแล้วเหมนหมดศาสนาพระองค์นั้นแล้วสามหมื่นกับผ่านไปแล้วนะเพราะนั้นพระชนะวระสุมเมธพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานณพระวิหารเมธาราม พระบรมสารีริกธาตุก็เฉลี่ยกจัดกระจายเป็นส่วนส่วนในสถานที่นั้นๆก็ก็ตามสมควรในมนุกมทุรฐวิลาสีอัตถกถาพุทธวงศุมเมศพุทธเจ้าที่11กล่าวว่าเมื่อพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานแล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติเป็นเวลาเจ็ดหมื่นปีว่างจากพระพุทธเจ้านะว่างมาเจ็ด0มืนกะับนะไม่ใช่เจ็ดหมืปีนะเออเขาเขาแปลผิดนะนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติเป็นเวลาเจ็ด0มื่นะ 7, กับพราะงั้นเจ็ด0มืนกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะนะนะถ้าเจ็ดหมื่นปีนี่ก็ถือว่านานนานี้เจ็ด0มื่นกับว่างั้นะนะคูณปีไปอีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีเนะี่ย พอผ่านไปสุดท้ายสามหมื่นกัปนับแต่กัปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสองพระองค์คือพระสุเมธและพระสุชาตะแสดงว่ามันดับเนี่ยนะมันดับในสองในพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าองค์แรกก่อนพระนามตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระนามวสุเมธะผู้บรรลุเมธปัญญาคือผู้มีปัญญานั่นเองบำเพ็ญบารมีทั้งหลาย จนถึงชาติเป็นคล้ายๆพระเวสสันดรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสุทัตตาเทวีอาคาัคราเมหสีของพระเจ้าสุทัตตะกรุงสุทัศนะเพรแสดงว่ามีพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุทาตาัตตะพุทธมารดาชื่อว่าสุทัตตาอยู่ในพระคันกําหนดครบถ้วนทศมาศก็ประสูติจากพระคันของพระ ชนนีนสาสุทัศนราจุทยานประหนึ่งดวงธินกรอ่อนๆลอดหลืบเมฆก็ถ้าใครเคยเห็นดวงอาทิตย์ยอนตอนเช้าแล้วก็เมฆผ่านไปเนี่ยนะก็ดูงามฉันนั้น